ว่าเป็นเมื อ, สองสวรรค์ก็คนทั่วไป ท, วทั่วไปรถ<ป>ราก็เยอะละคนก็แยะไม่น่าอยู่เลยแฮดุนวายวุ่นวายบ้านนาของเรายัางจะดีกว่าถึงจะเป็นบ้านป่าแต่ก็ยังสุขใจสุขใจสุขใจในแข่งแย่งทิ้งดี กละก็ชิงเด่นเห็นกะตัวก็ไม่เห็นเหมือนคนกรุงไกรกรุงไกลต้จมต้อมองมองตามท้องถนนรถติดสัญจนเลยยาวเป็นไม้เป็นไม้โอ้โหเมืองกรุงทำไมถึงยุ่งนักไอควันพิษก็มากโดนก็ลายเป็นห่วงแค่ตายทองวาวสาวนา ลัวจะลืมบ้านป่าลืมนาลืมควายเขายาตื่นเธอตื่นจากความเศร้าซึ เที่ยวกันในเปลเที่ยวกันไปเถอะขับไหนก็นอนโอ้ทองขวานน้องรู้หรือเปล่าว่าพี่หวมหากลัวจะลืมน้ำาลองเมื่อน้องได้น้ำประปา จะลืมบ้านป่าลืม